ความต่างระหว่างการจับผิดตามหน้าที่กับการเพ่งโทษถามรู้สึกไม่สบายใจเพราะหน้าที่การงานซึ่งทำอยู่เหมือนต้องคอยจับจ้องข้อผิดพลาดของผู้อื่นจะถือว่าเป็นกรรมว่าด้วยการเพ่งโทษหรือไม่มีวิบากอย่างไร ตอบปัญหาทางโลกแบบที่ต้องคอยสังเกตสังการหรือตรวจสอบการกระทําของผู้อื่นนั้นมีหลายแบบครับลองดูแล้วกันว่าของคุณเข้าข่ายแบบใด 1. การตรวจสอบแบบมีเจตนาป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสื่อมเสียของตัวเขาเองหรือลดความเสียหายของส่วนรวมโดยมีสติมีเหตุผลปราศจากอคติชอบชังเป็นส่วนตัว อย่างนี้บางทีเมื่อต้องตักเตือนก็อาจทำให้เกิดเวรต่อผู้เจ็บใจก็จริงเพราะคนเราไม่ชอบถูกใครว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการรายงานหรือบันทึกความประพฤติที่ผิดพลาดเอาไว้ก็จะเป็นเหมือนการไปสร้างบาดแผลไว้กลางใจคนที่โดนอย่างไรก็ตามเมื่อผู้มีหน้าที่ตรวจสอบในแนวทางนี้ตายไป ก็จะไม่ไปอบายเพราะการรมที่ต้องตรวจสอบผู้อื่นโดยสุดจริตและแม้เกิดใหม่ก็จะไม่ไปอยู่ในบ้านหรือที่ทำงานที่ราวีกันอย่างไร้เหตุผลภัยเวรที่อาจมีบ้างก็จะมาในรูปของการเจรจาแก้ปัญหากันด้วยสันติวิธีมีเหตุผลถ้าเจอคู่เวรแบบที่ต้องพบกันประจำก็มักเป็นประเภทมีทิฏฐิมานะน้อยไม่เอาชนะกันด้วยวิธีศกปรก คือใช่จะไม่มีสิทธิเจอคนประเภทยพยายามเอาชนะด้วยวิธีสกรปรกเสยียเลยเพียงแต่จะไม่ใช่คู่กัดถาวรไม่ต้องทนทู่ซีอยู่กับเขาเป็นปีๆี 2. การตรวจสอบแบบที่มีเจตนาหาจุดอ่อนของคู่แข่งเพื่อนำมาสร้างอาวุธทำลายล้างกันกรรมข้อนี้นับเป็นการก่อเวรอย่างชัดเจน เหมือนเกมที่ต้องเอาชนะกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์บุคคลละความชนะและความแพ้เสียแล้วจึงสงบระงับนอนเป็นสุขคนที่ต้องทำงานหรือทำกิจกรรมแบบจ้องชิงชัยหักล้างกันย่อมทราบผลกรรมอันเป็นปัจจุบันได้อยู่แล้วหากการเอาชนะเป็นประเภทขอขาดบาดตาย จัดเป็นกรรมที่ยืนพื้นอยู่บนโทสั์สังเกตง่ายๆว่าถ้าแพ้จะโกรธฉุนเฉียวถ้าชนะจะสะใจสมน้ำหน้าคู่แข่งเมื่อละจากโลกนี้อาจได้ไปอบายเพราะอบายเป็นสถานที่รองรับกรรมซึ่งยืนอยู่บนพื้นกิเลสคือราคะโทสะโมหะแต่ถ้ามีกรรมดีอื่นอุ้มไว้ก็อาจไม่ตกต่ำลงถึงอบาย ถ้าว่าถึงคราวกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็จะเข้ามาอยู่ในวังวนภัยเวรวงจรเดิมๆ ม, มีแพ้มีชนะมีการก่อเวรมีการนอนอมทุกข์และมักเจะเจอคนใกล้ชิดที่ชวนให้รหองระแห ง, ง่ายต่างฝ่ายต่างชอบเอาชนะแม้จะเป็นพ่อแม่ลูกกันแท้ๆก็ตามประเภทขิงก็ราขาก็แรง เมื่อทำงานก็มักเจอแต่ภาระประเภทต้องเอาหอกดาบจริงๆไปทิ้มแทงหรือเอาขวานในปากไปจามแก้วหูผู้อื่น 3. การตรวจสอบแบบที่มีอคติมีความเกลียดชังมีการแบ่งพักแบ่งพวกประมาณว่าเพื่อด่าเอามันพูดง่ายๆว่าแกพูดหรือทำอะไรมาฉันด่าแลก จับผิดลูกเดียวเที่ยวไปโพนธนาให้เจ็บใจโดยไม่มีความปรารถนาดีต่อกันอยู่เลยตายจากชาติปัจจุบันมีสิทธิ์ไปอบายมากกว่าข้ออื่นเพราะการรมยืนพื้นอยู่บนโทสะและโมหะอย่างแรงคือคนเราต้องมีโทสะมากถึงเกลียดกันได้ขนาดทำอะไรมาด่าหมดและจะต้องมีโมหะคือหลงสำคัญผิดห่อหุ้มจิตมืดม็ดยิ่งถึงไม่เห็นความดีของเขาเลย คล้ายม้าโดนครอบให้เห็นลู่วิ่งทางเดียวพุ่งไปในทางเดียวไม่มีมุมมองอื่นที่แตกต่างไปจากนั้นหากมีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในคราวหน้าก็อาจไรเหตุไปอยู่ในบ้านที่ญาติญาติจ้องแต่จะหาแพะ่รับบาปจะรู้เห็นเรื่องการโยนโทษให้คนอื่นมาตั้งแต่เด็กๆโยนผิดได้เป็นโยนไม่เผื่อใจไว้เห็นความผิดตัวเองบ้างเลยพอโตขึ้น ก็จะมองโลกในแง่ร้ายซสื่อมากความดีชัดๆของคนอื่นมองไม่ค่อยเห็นเห็นแต่ความเลวแม้เพียงเล็กน้อยของเขาโลกนี้ไม่มีคนปราศจากอาคติแต่ก็มีการฝึกฝนอบรมขัดเกล่านิสัยให้อัคติน้อยลงได้ปัจจุบันชั้นเรียนประถมของบางโรงเรียนก็สอนให้หาทิฏฐิของเพื่อนๆรวมทั้งฝึกให้ยอมรับเสียงติติงจากคนอื่น นี่ก็เป็นแนวทางลดความลบเอียงลงได้มากในทางพุทธมีข้อธรรมประการหนึ่งคือในพรมวิหารสี่คือพระพุทธเจ้าสอนให้มองผู้อื่นอย่างมีเมตตาเมื่อมีเมตตาก็ยากขึ้นที่เราจะอยากก่อเวรแม้ด้วยความคิดกับเขาแต่เมื่อต้องทำงานร่วมกันจาเป็นต้องตักเตือนหรือบันทึกความผิดของผู้อื่นตามหน้าที่ ก็จะมีความเป็นกลางเป็นอุเบกขาคือไม่ได้ตักเตือนหรือบันทึกความผิดของเขาด้วยอัคติหรือมีเจตนาประทุษร้ายเท่าว่าเห็นกรรมหรือข้อบกพร่องของเขาตามจริงและทราบว่าที่ต้องเตือนหรือบันทึกความผิดไว้นั้นจัดเป็นการที่เขาต้องเสวยผลที่เขาทำมาเองอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราสารเวรไว้น้อยที่สุด หรือไม่มีเวรเลยกรณีถ้าเขาไม่ผูกใจเจ็บอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กระทบกระทั่งกันแม้แต่ในวินัยของพระยังมีบัญญัติว่าถ้าเห็นพระด้วยการทำผิดแล้วไม่ตักเตือนจัดเป็นอาบัตเลยทีเดียวสิ่งที่ควรคำานึงก็มีแต่ว่าจะคิดอย่างไรตั้งจิตไว้อย่างไรจึงตักเตือน หรือบันทึกความผิดผู้อื่นโดยปราศจากการครอบงำของอคติและความชิงชังเท่านั้น